สำหรับปาสกภาในวันนี้เมื่อคืนนี้ได้เรียนกับท่านกิตติว่าจะพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาจากชาวจีนโพ้นทะเลแต่ทัานมาคิดว่วันนี้อีกทีหนึ่งปัญหาที่จะพูดนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านผู้ฟังส่วนมากสนใจอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงค่ายจะขอเปลี่ยนจากเรื่องพุทธศาสนาจากชาวจีนโพ้นทะเลมาเป็นพุทธศาสนาพัฒนาการของพุทธศาสนาโดยทั่วๆ่วไประหว่าง สมัยกรุงศรีอยุธยากับกรุงเทพของเราพูดง่ายๆว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาในสองยุคนี้โดยสังเขปเอาจรเฉพาะที่เป็นประเด็นสำคัญจะพูดท่านผู้ร้ายจะเห็นได้ว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานั้นการสร้างวางแข่งถังกรุงเทพรัตนโกสินทร์เจ้มหาราชสัตว์ผู้สถาปนาพระนครได้ถือเอาแบบฉบับจากกรุงศรีอยุธยาเป็นมาตรฐาน ก็ว่าในสมัยนั้นคนไทยเราส่วนมากมีความรู้สึกว่าราชธานีของเราได้ถูกภาคตึกทําลายย่อยยับไปแล้วความที่จะคิดฟื้นสภาพอของความรุ่งเรืองในสมัยที่บ้านเมืองดียังอยู่ในอนุสติของคนไทยทุกคนท่านผู้ที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคนั้นนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นต้นมาก็าดีก็ล้วนแปลแต่คิดิตาสร้างอันละครโดยถึงเอาแบบ พระนครศรีอยุธยาเป็นตัวอย่างทางนั้นแต่เนื่องจากว่าสมัยกรุงพนมรีเป็นสมัยมีอายุการสร้าเพียงสิบห้าปีเราก็ส่วนใหญ่ในรัชสมัยนั้นไทยเราก็ต้องโมยุ่งกับงานปราบรามริปูดัชนีต่างๆที่ยังไม่ราบผิดและที่ข้าศึกปริญญาคอยจดคอยจ้องที่จะเล่นงานเมืองไทยเราอยู่ถ้าหากว่าภาดเจอโอกาสเมื่อใดก็เป็นตั้งเติมยกมาเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นพระมหาติเป็ตรไม่คุนบุรีคือพระเจ้าคุบุรีเพระองค์ท่านจึงมีเวลาน้อยในการที่จะจับงานในด้านสถาปนาคิดนวัตกรรมต่างๆเช่นว่าสร้างวัดวาอารามก็ดีแม้แต่ทั้งกำแงพงพระนครธนบุรีในยุคนั้นก็ไม่มีเพราะสร้างไม่ทันมีก็แต่เป็นกำแพงรั้วพระราชวังแค่นั้นเองหรือเอาเป็นกำแพงพระนครที่เป็นกำแพงมือจริงๆอ่ะไม่มีสร้างไม่ทันจริงๆเพราะว่าจะสร้าอ่าพมาก็ยุบ กองทัพระติษพระนครยะลงมือสร้างทีไดก็เจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฝึกสืนเหนือใตท้ทีนั้นนี่ก็เป็นประการหนึ่งครับที่สมัยทนุรน่ะวัดวาอารามต่างๆในเขตพระนครยังไม่สามารถที่จะสร้างให้รุ่งเรืองงดงามได้สมดังกับเจตจำนงของพระเจ้าฟุงทนวัดที่พระอง์เอาใจใส่มากเพราะอยู่ใกล้พระราชฐานก็ได้แก่วัดแจ้วัดแจก้แจกับวัดบางว่าวัดบางว่าใหญ่ ขอวัดนี้นะวัดบางว่าเป็นสิธิ์สถิตของสมเด็จประสังฆราชในมสมัยกรุงธนบุรีวัดแก่กงคือวัดอรุณเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัดสิทธิ์กับพระราชฐานก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีการจับนาวกรรมรเร่ีบรีบเป็นการด่วนเพราะฉะนั้นจึงได้พกหมายประกาศเกณฑ์ให้สร้างกุฏิวิหารสำหรับกุฏินะ่ะสร้างตัง้ง300อหลังสำหรับที่สุสัมมาเนนในฝ่ายคันคตุระจะได้อาศัยศึกษา เ, าเรียนที่วัดแก่ เราก็ทิวัดบางว่าใหญ่นั้นก็มีการสร้างพรงะอุโบสถพระวิหารบรรลายการตเรียนเพื่อการก่ออิฐถือบูรุษเป็นการขาววอนเลยทีเดียวสองวัดนี้นะครับที่ได้รับการบารุงเป็นที่ออกหน้าออกตามมากในยุคนั้นก็ยังมีอีกวัดหนึ่งคือวัดบางว่าน้อยอีกวัดหนึ่งก็ได้รับการบำรุงอยู่เพราะว่าพระเจ้าคุงธนได้รชเดชไดป้ประทับศึกษาการกรรมฐานในวัดนี้อยู่หนึ่งห น, ง, หนงเหมือนกันอ่ตอาตลอดพระเจ้สมัยกรุงธนบุรีสิบห้าปีนี้ งานสาคัญในด้านบูรณะพระพุทธศาสนาก็ได้แก่งานกำจัดอารัชีเพราะว่าในสมัยกรุงแตกนั้นพวกพวกเจ้าบ้านทางเมืองต่างต่างต่างก็ประจานแต่แก้ปเป็นพวกเป็นเหล่าประจานเอก ร, ราชอธิปไตยของตัวแต่ละพวกแต่ละพวกไปออกไปถึงหกคณะหกกด้วยกันเป็นชุมนุมกทั้งหกหรือหกแฝงต่อเรียกในบรรดาหกแฝง น, นั่นน่ะมีอยู่แฝงหนึ่งประหลาดมาก ท่านผู้ครองแฝง น, นี้เป็นเป็นประสงค์ในพุทธตอศาสน า, าท่านผู้นี้เรารู้กันทั่วไปว่าเจ้าข้าฝางสว่างเป็นตั้งเมืองหลวงที่เมืองฝางเห่ยมนี้เจ้าข้าฝางน่ะเดิมเป็นป ร, ริญญ์เป็นชาวเมืงฝางโดยกาเนิดแต่เดินทางมาศึกษาปริยัติที่พระนครปิอยุธยาในขันดึงพระเจ้าบรมโกศแล้วก็มีความรอบรู้แฝงช้ำในพระไตรปิฎกกระทั่งได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะที่พระพาุลเถระ ที่าพาระพาุรเทระแล้วก็ออกไปเป็นสังฆราชาเจ้าคณนะเมืองฝางเมืองฝางคำว่าสังฆราชานี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดเข้าใจไว้ว่าสมแหนักของไทยเราในสมัยโบราณแบ่งออกในสมัยสุขโขทยัยแบ่งออกตำแหน่งสูงสุดก็คือที่เรียวกว่าสังฆราช สังฆราชเนี่ยสังฆราชแล้วก็มีตำแหน่งปูครูตำแหน่งคูครูตำแหน่งปูครูนี่ภายหลังในสมัยอา ย, ยุทยาการเป็นพระครูปะตำแหน่งพระครูในสมัยกษุภูไศลหรือสมัยอา ย, ายุทา ย, ย, ยาน่ะไม่ใช่ตำแหน่งต่ำๆนะครับแต่เป็นตำแหน่งที่สูงมากเป็นชั้นเจา้าคณะผู้เมืองชั้นเอกชั้นรูชั้นตรีเป็นพระครูเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากตอนนี้ต่อมาเมื่อการปกครองรอคณะสูงขยับขยายออกไปวัดวาอารามมีผู้มีจิตศรัทธาบ้างกันมาก ก็จำเป็นอยู่ดีที่จะต้องตั้งพักคณะกิการสำหรับงานปกครองซึ่งขยับขยายตามส่วนของปริมาณพอสมเพราะฉะนั้นจึงได้มีการเพิ่มตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งตามต่อพระสังอตามต่อพลตรีพระสังฆราชแต่สูงกว่าพระครูตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าตำแหน่งอาพระสังฆราชานะคือเป็นคณะของพระสังฆราชแต่ว่าลิ้นของคนเราอะโดยเฉพาะคนไทยเราส่วนมากไอ้ภาษาที่พูดยาวๆเราไม่เคยชอบพูดกันเราชอบพูดแบบง่ายๆ เพราะนั้นตำแหน่งพระพารังพราชาคณะนั้นออกพูดนักหนาเข้าอกลายเป็นพระราชาคณะตัดคำว่าสังข้าออกหรือเป็นพราชาคณะก็เลยมาเข้าใจกันผิดในคนบางคนในสมัยปัจจุบันหาว่าพระสงฆ์เราเนี่ยยอมเป็นข้าเชื่อใช้ขันหัก็หาว่าพระสงฆ์เราที่มีวัดน้อนะจากรพงไม่ควยเพราะว่าเป็นการที่แสดงว่าพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นบรงวาลของพระมหากษัตริยที่เป็นขันหัน่าเข้าใจอันนี้เป็นกามเข้าใจผิด ความิงเาพระราชาคณะนั so. so so America, come, so ้นไม่ไ SO ด้หมายความว่าเป็นคณะของพระราชาที่เป็นขีาหมาตัดที่เป็นขันธะไม่ใช่หมายความอย่างนั้นครับคำนี้มาจากคาว่าพระสังฆราชาแต่ว่าคณะของพระสังฆราชคือพระสังฆรา้มันจะติดเคร่องพระบุญชนท่านกว้างใหญ่ไพศามไม่ไหวเลยครับไม่ไหวบุญโอเลีบตุกงรอคนไม่ไหวท่าก็ต้องมีผู้ช่วยต้องมีฐานานุโลต้องมีพระคณาบิการตามลำดับชั้นไม่ตกครอง ต้องแนวว่าคณาพิการที่ชื่ว่าที่คุณอูเป็นตาแพานั้นรีกว่าสังขราชาพณะคือคณะสังขราเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจผิดโยนตีื่องตระหนักตัขาวว่าการตระหนักาันั้นเป็การปจบขรรค์ละเป็นบริวารของขรรค์ละก็จะเกิดได้เข้าใจเรื่อใหม่ว่าตระหนักตัดไม่ได้สร้างเพื่อให้มาเป็นริวารของพระราชาแต่เป็นการตั้งขึ้นโดยสังขาราชาซึ่งเป็นพุทธมามกะยาก สราถนาจะช่วยพระสังฆราชท่านให้ทานแบ่งเบาภาระในการปกครองเพราะว่าการปกครองเป็นเรื่องใหญ่ให้ท่านมีพู้นที่ีทําหน้าที่ต่างพระเหนื่อกันในการปกครงองคณะสงฆ์จึงได้ตั้งสมณะจัดขึ้นเรียกว่าสังฆราชาคณะไม่ใช่พระราชาคณะเฉยแต่ว่าเนื่องจากภาษาพูดที่พูดกันเนื้อมาที่จินชินแล้ว เราก็มักจะไปคำปราศรังฆะออกที่พระราชาคณะธราชาคณ ะ, าาะจินจะคาให้เกิดความเข้าใจติดใหญ่โตดังได้กล่าวมาแล้วอ่าสรุปความแล้วก็คือว่าสมณะจากนั้นมีขึ้นก็เพื่อทางบ้านเงินตั้งสมณะจากให้พระขึ้นก็เพื่อดีจะช่วยพระให้มีการปกครองเป็นจัดส่วนเรียบร้อยถ้าหากมือไทยเราก็าสงค์ผลเรียร้อยมาเป็นที่หแต่และเสด็จอนิมุตนาของพี่น้องชาวต่างประเทศนั้น ผมก็อยากจะพูดว่าก็เกี่งกับเรื่องอำนาจจะกรเรื่องระบบการุกครองคนาโงฆ์ของเราเนี่แหละครับของเราเป็นแบบแผนมีผู้ใหญ่ที่น้อยตามระดับชั้นตัวเกงกันมาเป็นระดับระดับชั้นบังคับบัญชากันมาตามระดับชั้น พระเจ้ามลพลเราตีราค่าเรียบร้อยเป็นตัวอย่างซึ่งให้นาน า, นาประเทศที่จะถือพุทธศาสนาค่าไปสะดุดดีข้าไปเสริมอันนี้ควรที่จะสร้างขึน้นพระมหากตรณที่คุนของพระมหากษัตริย์แต่บุ ร, รุษสมัยท้องตัดกับรัฐบาลทุกทุกศตวพุษสมัยที่ได้ถวายอุปการะในเรื่องการตั้งธรรมนัติกในพระมลพิลลเราเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ไปโจมตีหาว่าเอาค่ามาตั้งเป็นยอดเป็นอย่างเงี้ยไม่ควร เพราะว่ามันมีความหมายในการปกครองอยู่เรือ่องบทบาทตำแหน่งหน้าที่อาตะนนี้พวกขบ้าสื่อเื่องในประเด็นาพระคาสิรเขนนี่แหละลหรครับที่จะเป็นเจ้าเระฝางพอมีได้ลเล่ามีกศึกษาได้ยิงตําแหน่งพระราชาคณะเรียบร้อยแล้วก็พระเจ้าบรมโกศก็แต่งตั้งให้ออกไปเป็นเจ้าคณะเมืองฝางเป็นจ้ณะจังหวัดถ้าจะมีกันในภาษาปัจจุบันก็ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่เมืองฝางเพราะคุณแตกเวลาที่คุณแตกนั้นไม่จะแตกเพราะอะไร ถ้าเราจะประมวลเหตุการณ์ในสมัยตรายแผ่นดินอยุธยาที่คุ้งแตกน่าเกิดจากหลายการณีหลายสถานสถานที่หนึ่งคือกามมตรต้มขีในมู่พระราชวงนั้นไม่มีตั้งแต่เมืองบ้านผู้หลวงได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อสมเยม็จพ ร, ระราชาธาบดีสวรรคตไปแล้วเวงบ้างผู้หลวงนี่ถึงจะพูดได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแผ่นดินขั้นใหญ่ใดเลยที่จะไม่ฆ่ากันผู้คนไป็ไม่มี อันเราหยุดดูตัวอย่างเช่นตั้งท่านนีพระเพีราชาเป็นต้นพระเพีราชาเองน่ะพอได้โสมรระแล้วท่านก็ไปเอานางสาวพระนารายณ์ก็อีกสาวพรนารายณมาเป็นไหมอักขมเทสีใต้ขวาคือโกมินทร์หลวงโยธาพิษองค์หนึ่งโกมินทร์หลวงโยธาเทพองค์หนึ่งมาเป็นอักมเทสีใต้ขวาของท่านอ่ า, าอักมเทสีทั้งสองพระองค์นั้นน่ะมีขติยะมานะของตัตรพิยานีอย่างยิ่งเห็นว่าพระเพีราชาก็มีศักเป็นเพียง จโจกรมช้างถ้าจะเปียบกับกองรัพในยุคปัจจุบนันก็น่าจะเปรียบกับโจโจกรมรถแส้กระมังเป็นอย่างเกราะกระมังเพราะว่าช่างศึกในสมัยโบราณก็คือรถแส้ในสมัยนี้นั่นเองหรือเป็นการที่จะบุกรือลุกแนวตรุยข้าวศึกได้ก็ต้องอาศัยทัพช้างใครมีช่างมากก็ถึงว่าประเทศนั้นจะมหัศนาะอันนี้เมื่อองค์พระเพรราชามาว่ากํากับโรมชา้างในอิทธิพลในการทหารอย่างยิ่งท่านจึงไม่ทําการรัฐประหารปฏิบัติ อาขุ่นลุ่มไร้โงรมประสาททองลงไม่ได้แล้วก็ตั้งเงินตั้งตูหลวงขึ้นมาพระราชธิดาของทรานรายจะดีพระราชกนณิชาของทรานรายจะดีร้วนแต่เป็นเลือดคติยนารีไม่ยอมที่จะให้คนอย่างพระเศตราชามาเข้าหาเพราะฉะนั้นอาคุณคุณรนาดีทั้งสองพระองค์ท่านต้องถึงกับองหนึ่งเตือนพระแสงดาบภาพไหวบนขั้วบอกพระเศตราชาว่า ถ้าพระเพรราชามาคุมเหง น, น้ําใจก็จะแทงพระองค์ให้จิ้นพระชนไปตามเปรตพ่อทีเดียวนะพระเพรตราชามุดโอกาส ก, ก็ต้องหาทางออกคือไม่ได้ด้วยเลยก็ต้องเอาดีกนไม่ได้ดีกนก็ต้องเอาดีคาถาพระเพราชาไปจ้างพวกหมอไัยศาสตร์ทเสน่ยาแสบกลมหลวงโยธาพิษกลมหลวงโยธาเทศทําเสน่สนยาแสดพอทําแล้วได้ผลปราษษรรกฏว่ากลมมหลวงทั้งสองพระองค์นั้นเธอขัดเรียกหาพระเพราชา ก็เด็นสำเร็จผมตาธนาที่ได้ว่าเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์มาเป็นม ah าเหสรีคราวนี้ผู้ที่คิดการกับพระเทศราชาถ้าว่าความจริงแล้วคุณกระหมดน่ะคือออกวงศ์พระราษฎร์ไม่ใช่ประเทศราชาพระเทศราชาเป็นคุณตกตกระดาษลอยจโจนออกวงศ์พระราษฎร์คือคุณคิดการใหญ่ลูกผเในราชานี่แหละเป็นคนคิดการใหญ่พอคิดการเรียบร้อยแล้วก็เอาตองมอนนี่นะ่ะตองมอนที่อยู่ในอำนาจของออกวงศ์พระราษฎร์นี่ไปเรียกเข้าที่ประชุมขุนนางที่พระราชวังลุกลี ถามบอกว่าถ้าสึ้นในหลวงแล้วพ่อจะพ่อจะเอาใครจะ็มิจฉาบรรลุน า, า, านี้พระพราชาก็ตอบว่าข้าส้นในหลวงแล้วพ่อจะเอาเชมิชมทูลเฉิจ้ฟ้าอภายัยพทษเจ้า้าอภายัยโทีเป็นน้องายท่านอายนะท่านอายน่ะมีโอรสล้อในนี้ท่ามีแต่ลูกู้หญิงมีแต่ราชธิดาแล้วท่านกน้องนองชายยู่องหนึ่งชื่ว่าเจ้าฟ้าอภัยพทษยายเจ้าฟ้าอภัยพทขึ้นสูนส่นสนตติวงศ์เป็นกษัตริย์ออกหลวงทราาาัพย์์บอกไม่ได้ เนื่องจากพ่อแล้วข้าพเจ้าไม่ยอมเป็นข้าใครเพราะฉะนั้นการอันนี้เป็นโอกาสแล้วถ้าพ่อไม่ดวนชิงโอกาสนี้ก็จะพลาดโอกาสมีเสียเพราะฉะนั้นถามในที่ประชุมบอรที่ประชุมยอมไม่ยอมที่จะให้พ่อของข้าเป็นกระสัเวลาที่ออกหลวงสารสัตว์ถามอย่างนั้นบรรดาไพ่คนข อ, ของออกหลวงสารสัตว์ถอดอาวุธดักปักท่าแล้วกระสับทุกคนขุนนางที่ในที่ประชุมเห็นเช่นนั้นก็กลัวทุกคนก็รักชีวิต พูดเป็สียงเดียวบอกว่ายอมควรแล้วเห็นทุกคนที่ออกสลงสรรสักเสนอแล้วควรที่จึกคุณคุณกรงช่างจะรับราชสมบัติเป็นพระมหากษัตรย์ต่อไปว่าอย่างนั้นพระเพรราชาก็เลยเอออัยหอมด้วยการกบฏก็สาเร็จตั้งแต่ในราตรีนั่นทีเดียวเรื่องนึงนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระเพรราชาก็เยราชไปแล้วพระบทก็สำเร็จตั้งแต่ในราตรีนั่นีเียวเงป็นอย่างนั้นเพราะฉะนัราชาลัวหยารกสต่ราตร หยู่วังจันกระเสริมปยมากต่อมาเมื่อพระเทพราชากับสมมติหลวงโยธาพิทสมมติหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นเอกอัค ร, รมเหรศรีซ้ายขวานั้นประสูติโอรสเรียกกันว่าเจ้าพระขวัญเจ้าพระขวัญองค์หนึ่งเจ้าพระตรับน้อยองค์หนึ่งของพระองค์นะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไ ข, ข, ขอท้ทุ่มมันลายแท้สำหรับเจ้าพระขวัญนนะ่ะมีคนชื่นชมในตีดาบิานหารมากว่าท่านผู้นี้นะ่ะมีบุญญาธิการต้องเป็นลูกชายคนแรกของพระเทพราชา ที่ได้ประสูตดในสเวทสัจฉัตเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าถ้าเพื่อราชาสวรรคตในวันใดเจ้าเจ้าพระขวัญประพงได้สวยราศเป็นกระตัดต่อไปเป็นที่ชื่นชมในคิดราพิมิหานของประชุมชนเป็นอย่างยิ่งปัญหาก็มีอยู่ว่าในการที่จะพระขวัญนีถูกคนชื่นชมในบุญญาบิการนั้นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่เป็นที่ศักพระอาจารย์ยาศัยเลย มีความขึ้นเครียดวิษยาในวิญญาติการของพระนัดาไปอย่างหนึ่การก็ปรากฏว่าเมื่อเจ้าพระขวัญเจริญบุญชนชันส่าได้ประมาณสักอ่า11หรือ12หรือ15ปีจำไม่ได้แล้วระยะนี้แหละวันหนึ่งเจ้าพระขวัญกำลังทรงมาเล่นทรงมาอยู่ในพระสฐานแล้วก็โขื่อนผลอุดิคือผลแต่งโบค้างอยู่กรมราชวังมวลสถานมงคลคืออดีตหลวงตระสตรัก์นี่จึงได้คิดการกับโอรสธิดา ให้คนไปเพชรทูลเชิญเจ้าพระวันให้เข้ามาเฝ้าที่พระราชาวังฝ่ายหนะ้าว่าสมเด็จพระมหาอุปราชมีพระราชจ้ประสงค์ข้าจะอทอดชเนศเจ้าพระวันทรงรงมารำาทวรำาราแสงควรให้ดูเจ้าพระวันตัวผลอุดิตค้างอยู่เช่นนั้นก็เลยมอบผลอุดิตให้แก่พระราชมารดาบอกแม่จา๋า ลูกไปเฝ้าพระมาวปราชแล้วจะกลับมากินแตงโมต่อนะแม่นะแม่ฝากเก็บแตงโมนี้ไว้ให้ลูกกินด้วยนะบอกกับแม่งนั้นจะพระขวัญก็ไปเฝ้ามหาพระมาวปราชพอไปถึงวังจันเกษมเข้าทางโน้นก็สั่งให้มหาเล็ก ต, ติดตะปูวังจับเจ้าพระขวัญเจ้าพระขวัญสมเด็จโคตรไม่เดี๋ยวนั้นทันทีไม่ต้องพูดข้าําเพลงเลยข่าทันทีที่เลี้ยงที่ตามสมเด็จ ก, ก็ร้องไห้ดึงายขึ้นมาที่พระราชวังหลวง เวลานั้นน่ะพระราชมารดาจักรพรรดิกำลังบรรทมกังวันอยู่หลังจากลูกชายไปแล้วก็เข้าที่บรรทมในขณะที่บรนทมก็ปรากฏนิมิตเห็นร่างของพระราชโอรสมาปรากฏโลหิตซูมพระวรกายมายืนร้องไห้ทูลขอผลแตงโมซึ่งกินข้างอยู่ตกใจตื่นมันทมขึ้นพอดีพี่เลี้ยงนางนมของจักรพรรดิกำลังหมอบร้องไห้อยู่ที่หน้าพระที่ถามว่า อ, อะไรพี่เลี้ยงนางนมก็ทูลบอกว่า ข้าม้าปราดดับเจ้าพฝันพระเดชโทษแล้วยาค่ะพระราชมารดาก็ร้องไห้รีบไปปูนฟ้องพระเพชรราชาเวลานั้นพระเพชรราชาประชวนน่ะประชวนน่ะประทับอยู่ที่พระที่นั่งบัญญรัตน์กําลังประชวนหนักทีเดียวเมื่อไปปูนฟ้องก็ร้องไห้ทุ่มทอพระองค์อยู่ที่นั่งมาหน้าพระที่บอกว่าลูกของหม่อมชันน่ะไปทําผิดบุกบิดสถานใดหรือ ถึงกับข้ามาอปราชจะสิ้นความเมตตาล่อลวงลูกหล่อมชั้นไปฆ่าถึงไม่วางถามอย่างนั้นไว้พระเพศลายชาพอได้ฟังเช่นนั้นก็เสียพระไทยโทมนัดอย่างยิ่งทะลึ่งก็องลุกจากที่สาแข้งออกสวงธรศักด์ต่างๆนานาบอกว่าไอ่พ่อลูกกบดก๊กนี้ปูจะไม่ให้นลาจาสมบัติจมันแล้วอันนี้กรรมตุลกรรมเปลี่ยนถ้าว่าเป็หลักกรรมในทุตตตสนาก็เป็นกรรมตุงกรรมเปลียนจริงๆที่ว่าเป็นกรรมตุลกรรมเปลียนจริงๆเนี่ยก็คือว่า พระเพชรราชากัหลวงตระรัชกษ์ได้ไปทำกับพระนารายณ์อย่างไรตอนที่พระนารายณ์จะตีวงคตตําอันนั้นก็มาปรากฏดกับพระเพชรราชาอย่างนั้นพระเทพชรนารายมหาราชนก็ชวนหนักที่พระที่นั่งลพบุรีพระเพชราชาขลุนตระัชกษไปฝาแล้วก็ไปคูดกับพระนารายณ์บอกว่าไม่เป็นไรละพะยะค่ะต่อไปนี่งานราชกิจต่ายหน้าตายนายอยู่ในอํานาจของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองคนพ่อลูกจะดูด้ต่างพระเหน็ดระกันเอาเอง พระเพร์พรนารายณ์มห า, า, าราชฟังพระเพรราชาภูมิอย่างนั้นดูอาจัปปะกิริยาท่วงทีของพ่อลูกคู่นี้แล้วก็รู้ว่าพ่อลูกคู่นี้น่ะกำลังคิดการกรบฏแน่แล้วเพราะฉะนั้นพรนารายณ์มหาราชจึงทรงพระทีโรธทขาลิ่งพระองค์คว้าพระแสงดาบจะไปฟันพระเพรราชาสหลวงท ร, รัสสัตแต่เนื่องจากประทวนพระอาการเพียบแล้วก็เตะพระองค์ทลาล้มทุบไปที่หน้าพระที่พระเพรราชาสหลวงทรัสสัตต้รีบออกจากห้องบรรพม ท่าายมาหาราชก็ราบแช่งตามหลังบอกก้อเทิพยาดาที่รักษาประวภวรพุธตตะนะได้ยืนอายุแ ห, ห่ขามต่อไปสักเจ็ดวันเถอะจะดูไอ้หน่ายพ่ออยู่กบฏสองคนเนี่ยมันจะทํายังไงต่อไปกรรมอันนั้นมาสนองพระเพรารชาในบัตรนี้แล้วพระเพราราชาป่วยหนักอยู่ก็เกิดเรื่องฆ่าลูกของตัวตัวก็เจ็บใจทลึ่งรวดว่าออกจากบี่แข่งตาบหลวงรัชทศัพท์ออกมาอันนี้กรรมกลมกรรมเปลี่ยนทํำอาไว้เห็นค่าตาอ่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ต้องเป็นอันว่าไม่ยอมมอบราชสมบัติให้แน่แล้วก็เลยปรับมอบราชสมบัติให้กับพระญาตองหนึ่งชื่อว่าเจ้าพระพิชัยสุรินบ้างให้เจ้าพระพิชัยสุรินรับราชสมบัติบอกว่าเองเอาราชสมบัติไปพามาให้ไอ้ลูกกิรยามคนนั้นแล้วไม่ให้แล้วจะมอบราชสมบัติให้ให้เองแล้วเจ้าพระพิชัยสุรินน่ะตัวก็ตัวรูว้ว่า ต, ต, ตัวน่ะขืนรับก็เท่ากับว่าประกาศตัวไม่ห่าว่าหัวขาที่ไหนหลวงศาสนาจะยอมป่อยให้ตัวชีวิตรอด แต่ก็เป็นจําใจจำจำทนอยู่ก็รับคำมอบปรไปพอพระเพทราชาดีวงคตเจ้าพระพิชัยสุรินไม่ฟังอีลาข่าอีรมจักแจงวิ่งขึ้นไปวังหน้าไปถึงก็ไปปุ่มทอนพระองค์เอาศีรษะเกลือกกลิ้งบนพระบาททั้งสองข้างของรมพระราชาวังบรรลกฐานมงคลร้องไห้รองไห้สมพระราชวังบรรลกถานบอกอ้าวเจ้าพระพิชยัยเองไม่ร้องไห้ดีคะท้าฟูทําไมวะถามอย่างนี้ แต่พระพิชัยก็ทูลบอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะธรรมดาเทเรศสมบัติไอสุริยะนั้นย่อมเป็นของสุขุมคำภีรภาพและกลางนิษฐ์เหมาะสำหรับทันทูมีบุญญาธิการเทนั้นที่จะรองรับได้ข้าพระพุทธเจ้านี้สมมติตนเองว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการน้อยอุปมาเมื่อหนึ่งมันเหลวแห่งพญาราชสีสมควรแต่สวรรค์าชนะเท่านั้นที่จะรองรับใสหาผู้ควรแต่ผาชนะอื่นๆนไม่ทันใด สิริราชสมบัตินั้นเป็นของทสมควรแก่ท่านผู้มีบุญญาธิการข้าพระพุทธเจ้าไม่กล้ารับสนองพระบรม ร, ราชองค์การสวยราชสมบัติต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะกรมราชาบัณ์วรวร์กล่าเจ้าพระพิชัยสุรินอันนี้ในหลวงสมเด็จพระาาองค์ตามโกรธให้ท่านแล้วท่านจะมาเสือกสายไปให้ใครใหญ่เล่าพูดเช่นนี้แล้วหลวงพระราชาก็ทำหน้าบึ้งเจ้าพระพิชัยสุรินฟังเช่นนั้นก็ยิ่งให้กรุนทุลายใจเป็นอย่างยิ่ง นึกว่พยามันจุฬาเห็นแล้วเห็นเอาว่าจุฬาแล้วเราไม่ช้ากันงตายแน่ถ้าขืนรับเาจะสมบัติมาก่อทีงไหนจะมีชีวิตหรอกก็ยิ่งร้องไห้เป็นการใหญ่แล้วก็ตอบสมบัติขององ์พระราชวังบางสถานมงคลพูดว่าถ้ามาว่าพระองค์จะไม่ยอมดีดขึ้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระพุทธเจ้าไปจะขอลาตายไปทุกๆซ่อนในบ้านนทคงไทยอดอยากอดแท้ยอมตายไปนอาจากพระองค์จะยอมรับเราจะสมบัติปกครอง ให้ฟ้าข้าเป็นดินกำบูมพุทธต่อนาให้จเจริญรุ่งเรือต่อไปล่าอย่างนั้นออกหลวงตรัชท์ก็รอโอกาสยังไม่ยอมรับจนกระทั่งพวกขุนนางขงุนาน า, าง ท, างทางางั้ทงทั้งวังหลวงทั้งที่สมุหนายกที่สมุหกราหุนยังวางคันนาจติตพรมมาเข้ากันพัดคราอ้อนวอนอให้เฉลวยรับราชสมบัติแล้วองค์ราชวังบวสาารสถานมีคนยิงตกปากยอมรับเอาล่ะไม่เมื่อท่านสังไหามาอ้อนวอนพระเจ้า ข้าพเจ้ากำลังจําต้องรับอยู่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าทําผิดทลาจะองค์การของพระราชบิดานะนี่เป็นข่าววัาพลังหลายมีสมานในฉันเป็นเอกเศรษฐ์มาอ่อนความให้รับต้องจครับและหลวงพระลักษณ์ก็สวยราดเป็นกระป๋คือเป็นข้าพเจ้าเสือที่เราเรียงกันมาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ทันริมหนี้แล้วครับที่เกิดเรืองเกิดเรื่องพ่อจะฆ่าลูกคือหลวงพษะลักษณ์นี่ยชอบเอาเป็นคนโขนชาไปคล้องชา ท้าหนึ่งไปคล้องช้างปีตาเท้าปากน้ำโพพิจิตเนี่ยเทาป่าชมาชบาเท้ า, า, า, า, าลครสวรรค์ต่อได้ที่หนึ่งพิจิตเนี่ในในในในดนี้เมือ่อไปคล้องช้าง น, านั้นถ้าเออในป่าแล้วมีที่เมรอยูอ่แห่งหนึ่งช้างของพระเจ้าลูกข ย, ยาโทางของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าบ้าก็ส่งช้างตามข้อมาด้วยแต่ที่เมรุตรงนี้เปงนบึงจำเป็จะต้องหาดินมาถมมาไว้ให้แน่ช้างเขาดินนั่งจะได้ขับผ่านไปได้ ก็เลยบอกบอกนี่บอกว่าให้ให้ให้ลูกชายสองคนเล่นเต้น่ายเอาดินกระถมให้มันเป็นให้ทันในวันพุ่งคืนนี้ก็ให้มันเป็นเป็นดินพุ่งนี้ก็ให้เดินได้ลูกชายสองคนจะไปเต้นผู้ทหารมาทํากันคืนจัมรุ่งมันได้รับได้นอนรุ่งขึ้นก็ส่งช่างมาที่นั่งถานแต่นี้ธรรมดาดินนะผมยังคืนเดียมันจะกินกันแน่นได้ย่างไงกินมันไม่มีบุญเมื่อตอน อพอช่างให้นั่งเหยียบไปรุกการบุญก็ทะลุลุกลงไปช่างให้นั่นเงเจจะลุมหลวงพระปะตโกโกรธหาว่าลูกชายสองคนคิดกบฏต่อตัวล่อตัวมาฆ่าการบุญจับแสงขอเงาก็ฟาดฟามไปที่ข้างหลังจะปันลูกชายคนโตปตลูกชายคนโตลูกชายคนรองเห็นพี่ชาป็นอันตรายก็ยกแสงขอเงาล็อกแสงขอเง า, างของพ่อพ่อก็ยิ่งโกรธเหาว่ามันที่น้องสองคนเป็นใจกันจะเป็นกบฏฝังให้จับ ที่น้องสองคนก็สายช่างหนีหนีเข้าป่าไปจับไม่ได้จับไม่ได้ก็สั่งให้ผู้ทนายเลือกต่างเรีอกเลือกคนตัวตามป่าตามรถจับได้จะให้ประกันชีวิตว่าอยาทั้งสองคนก็หนีไปซ่อนอยู่หลายคืนหนักเข้าของคนพี่น้องก็ปรึกษากันบอกถ้าเราจะไม่ยอมให้จับก็ยิ่งจะเป็นกบฏมากขึ้นยอมไม่จับก็ดีกว่าเป็นตาร้ายดีเอาลูกกันในเอาดาสหน้าพอใกล้ถ่ายในอนาคตใคราอ่ะถ้ารู้ตัวผิดแล้วยังยังหนีผิดก็ ย, ยิ่งโดนตำร้ายอ่ะก็ยอมไปจับ ถ้าพระบิดาเสกเขียนเขียนคนเราสองรอยแต่เขียนให้ได้เขียนแล้วตอบไปจําถุกเอาไว้ขณะที่จําถุกอยู่นี่นะไม่ให้อาหารกินหิวโหยทรมานก็พรเอลมีมหาเล็กต้นต้นกําต้นกับตําหนักคนคนหนึ่งของเจ้าฟ้าองพระองค์มาเยี่ยมเจ้าฟ้าองคพระองค์ก็บอกว่าให้ยความความเหูุที่ปู่ครั้งนี้นี่ยน่าจะต้องถึงที่ตายแน่ถ้าตอนให้พระบิดาเขี้ยนต่อไปก็จะคนแรงหลายไม่ได้จะตายคาหวาย เขาที่ดีเองจึงรีบเอาเรือเร็วไปที่พระนครศรีอยุธยาไปทูลกับอ่าพระแม่พระแม่พระแม่วัดดุสิธ์ให้มาช่วยระว่า ง, งานั้นพระแม่วัดดุสิตนี่เป็นขั้นนุ่นของหลวงสรศักดิ์เป็นขั้นนุ่นหลวงสระศักดิ์ให้มาช่วยไว้ก็ไปทูลพระแม่องค์นี้เหมืนเป็นชีนอยอลข่าวเข้ า, ขาก็ลงเรือเร็วมากขมาดเล็กมาขึ้น มาถามหลวงพ่อตาก็อดลับถามว่าจะแม่มาหาลูกคุณที่มีทำไมกันเรื่ออะไรกันนีือจะแม่ถ่านมก็บอกว่าได้ยินว่าพ่อน่ะลงโทษลูกสองคนถึงกับจะเขี่ยจะตีจะฆ่าไม่หนักเลยหรือพ่อคุณลูกสองคนก็เป็นลูกชายของพ่อนะจถึงจะโทษท่านหนักแค่ไหนก็คุณจะคิดหน้าคิดหลังบ้างเล่าลงคนไทยกระทั่งยอมแล้วยอมให้อภัยโทษแล้วก็บอกว่าจะแม่ทันไอ้ลูกเนี่คุณสองคนเนี่ยรีบลงไปคุณหัวคุณตาลูกครับ ตอคืนดูต่อไปลูกเห็นหน้ามังคาแล้วก็อยากจะฆ่ามังคานั่นแหละหว่างั้นก็พาลูกไปต่อมาพอนานวันนานปีก็ไอ้จอมส่ยยงพระจางเรื่องก็สงบตอนหลวงพระรัต์ตายเจ้าถือมก็ตได้กันด้วยชายคนโตได้สวยราดเป็นพระเจ้าอยู่หัวท้าทยสัตพระเจ้าอยู่หัวท้าทยสัตที่มุ่งหนึที่ชื่อพระเจ้าอยู่หัวท้าทยสัตน่ะก็เพราะว่าชอบประทับที่ท่าที่นั่งท้ายสัตว์ทอดเนตทรงปลาแล้วก็สโสดเหนือตาตะเพียงเป็นที่สุดจนกระทั่งออกเป็นกฎหมายห้ามราชบัณกินตาประเทียน ถ้าราษฎรคนไหยกินปลาตะเพียนก็มีโทษถูกปรับถูกจับจำขังว่ า, างั้นเหที่ทรงชอบทอดปลาทอดเป็ดตกปานี่ยแหละชาวบ้านจะเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงปลาทงปลาตะเพียนน่ะนี่นีนี่เป็นจ้าหลวงนี่พระเจ้าเบุตรหลวงในปลาที่มพระเจ้าทรงปลาเนี่แหละพระเจ้าท ง, ง, างปล า, าตั้งล่องชายเป็นครมพระราวังบรวรสถานม ง, งคลตามราชประเพณีราชสมบัติต้อง น, น่าจะตกตับ ตูมราชวังะวรแต่ว่าพระเจ้าทรงตราท่านเป็ลูกชายลูกชายลูกชายคนโตลูกชายคนโตออกบวชเป็นพระาชาคณะเอาบวชเป็นเป็นเป็นขราชาคณะชื่อเรียกกันว่าเจ้าเจ้าพระดุเรลทรัพยภักเจ้าฟ้าดุเรลทรัพยภักเจ้าฟ้าจ้านี่คืเจ้าพระดุเรลทริพั์องคยังมีลูกชายสององค์เป็นเจ้าฟ้าเหมือนกันพ่อเขาตั้งใจจะมอบเจ้าสมบัติให้ แต่เขาว่าข้าม้าอุปราศไม่เห็นด้วยพระม้าอุปราศบอกว่าถ้าจะมอบพระราชสมบัติให้กับเจ้าพระคุเรียนพระพิทักษ์จะยอมแต่ถ้าจะมอบพระาชสมบัติให้กับเจ้าป้ากองทัพอุ่นี่ไม่ยอมไม่ยอมก็พอพระจับแป่นดินสวรรนะกตริยเกิดการติดกลางมือระหว่างวังหงวังหน้าโอ้ยข้าคุ้มนานข้าร้ายก็โดนตายไปบังเยอะแยะ ตั้งทั้งที่กลางใจกลางพระนครที่อยุธยา น, นั่นแหละตั้งค่ายเขาชักปีกาถึงกันมีค่ายคู่ประตูหอลบพร้อมอยู่เดียวลบกันอยู่ทีแรกน่ะทับวังหน้าทาท่าจะแพ้แพ้ก็พอดีมีทหารองค์หนึ่งชื่อว่าอานานอกขุนทํางานออกขุนช่าขันอ า, าอสาองค์พระสว่างมอวันบอกว่าข้าให้ข้าพระพทธเจา้าเนี่ออกไปรบอีกข้างนึ่งเถอะหารว่าแพ้ข้างนี้แล้วน่ะพระองค์ค่อยหลบหนีไป แ, แต่ถ้า ชนะแล้วก็เป็นการลรงตีวังหวงต่อไปยะคุณชานาญผู้นี้ปรากฏฝ่าหมีมือเพลงอาวุธแน่นยําเชี่ยวชาญเหลือเกินลบแล้วแต่ชนะข้าแม่ทัพของข้าติดดาบบอกเลยว่าวังหน้าชนะแล้วเจาว้าพระขอพระองค์ก็หนีจากลางหลวงไปซ่อนอยู่ในป่าคุ้นคุมคุ่มไม้เขาจังหวัดถิ่นปุณีอ่างทองไปซ่อนคุ้มซ่อนตัวอยู่เวลาที่หนีไปหนาหนี้ไปเรือลำมีมาเล็กตามเออยอะแยะ เล่นไปตามแกไปตามลำคลองกุงมารเล็กกระโดดน้ำสุนต่ำหนีไปหมดเลยไม่มีใครกล้าไปตามเจ้านายของพระองค์นี้เขาเรียกว่าเวลามีชื่อเสียงกิจยศอยู่ก็มีค่าทาบ่าวท่ายขมาบเป็นจุดระแจงพอสิ้นโชคชิ้นว่าพนาแล้วแม้แต่ข้าไค ท, ที่เคยื่อสัตว์ก็รู้ท้อทิ้งหนีไปอันนี้เป็นความจริงปรากฏว่ากุมารเล็กที่ตามเสดนะ็จน่ะกระโดดน้ําสุ่นแต่หนีไปหมดเลยแมวละแมเอาท า, าเจ้าฟ้าหลวงข่าวขององค์รีแล้ว มีมหมาดเล็กอยู่คนนึงตามประเด็ดเป็นมหมาลเล็กงงงโง่งาเง่าทุกอย่างง่ายว่ะเป็นคนที่ใครๆาเขาเป็นคนงงงเง่าเง่าแต่เป็นคนซึ่งจะยอมทิาา้งเกบฟ้าตามประเด็ดนี้ไปปุ่มหําลังในวัานหน่งคนก็สูงไรล่ะขึ้นเป็นพระเจ้าบรมโกศเป็นพระเจ้าบรมโกศก็พจิจารณาความชอบว่าออกคุชนชํานาญทีมีความชอบมากที่ตัดหัวแม่ทัพฝ่ายข้าสุดมาให้แล้วก็เป็นเหตุให้กู้บารมีของราให้คืนคงเพราะนั้นตั้งให้ออกคุณชำนาญเป็นเจ้าพยาชำนานบริษัท เป็นเจ้าพญายชนาบริรักแล้วก็สั่งให้เจ้าพเจ้าพญาชนาบริรักนี่น่ะคุมคนไปสืบดูซิว่าเจ้าฟ้าสังโองที่หนีไปแถวถึงหุริยางทองวิเศษชัยชาญน่ะไปซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างจับตัวมาให้ได้มาสำเร็จโทษเนี่ยจะได้ให้ตื่นเสี้ยน้ำต่อไปว่ารักปรากฏ ว, ว่าเห็นที่จะจับได้นั้นเกิดจากเจ้าป้าสังฆ้องไม่มีข้าจะกินอดข้าวจะไหวไหวสมบัติตัก็มีอะไรมีแค่นอยู่เอ่ยหนึ่ง ก็สั่งให้มาเล็กที่ตามที่เอ็งมานเล็กนี่เงยงี้ยตามมาเนยบอกว่าเออเอ็งอาแหวนตันี่อไปแล่ข้าวเาบ้านเขากินเพรวะว่าถาหิวข้าวเหลือเกินไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วซ่ตามคุ้มคุมผุ่มไม้ในกลางนาหวานันอ่มามเล็กตนนี่ก็ผิวแหวเนเซโลกระ่าเข้ามาในตูเมือเที่ยวบอกขายแหวนเอ๊มีคนเห็นเขาไอแหวนตังงีน้น่ะไม่เคยเห็นในมือของคนสามันน่นะต้องแหวนของคนชั้นสูงยิงลูกเขาว่าทางราชาาการกาลังตามจับเจ้าปลาหรือเปเอ๊ะ ชาตดีช า, ชาได้อจะเป็นแหวนของเจ้าฟ้ากมลก็เลยกระติดบอกตำรวจหลวงให้จับไอ้เจ้ามานและก็สลรภาพตามคูบอกว่าถูกแล้วแหวนตัวนี้ของเจ้านายของพระองค์ใช้มาแลกข้าวึ้นเจ้พยาพญาชนาลบริรักก็คุมท้ายไปจับถูกมาครุ๊กอยู่ว่างรอข้าวจากมานและติดจะหามาให้กินกําลังถูกมาครุกแล้วก็มีแสงดาบถอจกักจากวางไว้ข้างพระอ ง, งค์คนละเล่มเจ้พยาพญาชนาลเห็นอย่างนั้นเข้าจ้อยพวกตำรวจล้อมมาไว้แล้วก็ ตัวเองก็ถือด่าเสี้ยตรงรีกับไปตรงรีกับไปเจ้าข้าของพระองค์เห็นข้าก็ตกใจคว้าพระแสงดาบบังป่าวบอกว่าขุนจะมานตอนจะแก่ก้ามาจับตัวฉั้นจักรญานันนานก็ยกมือว่าบอกว่าพระเจ้อาญามีแต่ใต้ตาพระบาทเป็นอย่างไรข้าพระพิจารณาต้รับพระราชอาญาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีละขอพระองค์วางอาวุธเถอะมาตามตามตัวข้าพุทธเจ้าไปข้าพระเจ้าอยู่หัวดีกว่า เมื่อที่จะพืนหนักให้ไปเตาได้ก็ตงลงจับจะฟาดตงพระงอ์ไปไปถึงก็พยยระเจ้าระ์โกรธไปต้องตัดตัดปลิงรมะกวามละเอาตัวสมเร็จโทษไปอนจนันที่วัดโคกยาหมดเลยวัดโคกยาที่กุงเก่าหนาเป็นวัดสมด็จสำหรับสมเร็จโทษเจ้านายตั้งตอบนอยุิธยามาแล้วตลอดระยะตัง400้งสี่ร้อยปีถ้าฆ่าเจ้านายต้องมาฆ่ทาที่วัดโคกระยาเท่านั้นแหละสมเร็จโทษไป่อนจันวัดโคกพะยาเนี่ยอยู่ยนี้ปาวัดนียังอยู่วัดโคกพะยาีไอ้ ท, ที่กุงเกา่ายังอยู่ อ่าพอข่าเจา้าบ้าเรีรอยแล้วตอนนี้ก็ข่าพวกขุณนางวังหลวงคุนนางวังหลวงพวกที่เป็นฝักใยกัเจ้าบ้านามีจี่คนธรรม่าหมดคนดีของกรุงศรีอิทยาก็หมดไปชุดหมดไปแล้วมีแต่การเราเรา เ, เาแวนกันในหมู่าพวกเจ้าน า, ายราชนูค น, านคุนนางขุนนางอิจฉาริษยากันกันแต่กันต่างๆะตอนเนี้นาม่สมัยโบราณนี้ตลอดระยะสามสิบปีเศษซึ่งทรงนั่งเมืองมานับว่าเป็นสมัยราชขา้า ของคุนทิ่นอัยุติยาตอนปลายจึงมีเวลาที่จะบำรุงศิลปะวิทยาการต่างๆรวมทั้งบำรุงวัดวาอารามวัดวาอารามในสมัยนี้โดยมากเป็นการบำรุงวัดเก่าที่มีอยู่แล้ววัดต่างๆที่ทรงบำรุงหลุดจะได้ว่าสร้างใหม่ต้องชิมว่าวัดมรุมพุทธารามวัดพรรามวัดนาพระเมร วัดศีสันเทศน่าสร้างใหม่ทุกทั้งวัดเลยให้จะาป้าอุมคุนเสนาพิชักพระราชโุรสเป็นแม่กองกำกับการปฏิสังขรณ์วก็ศีสันเพศใหม่หมดยกท่อผ้าใบลากากระโุรงกระเบื้งติดใหม่หมดทั้งนั้นเอาใหม่หมดเข้าก็สร้างใหม่ละพวกง่ายๆแล้วก็วัดอื่นๆที่โปดวัดกุฎีดาวเป็นวัดสวยที่สุดถ้าเป็นวัดที่โรงสร้างทรงสร้างาก็จะเป็นเนาปรลาดแล้วสร้างวัดกุดีดาววัดนี้สวยมากกระทั่งตุดหม้เด็กผู้ฝรังมังค่า หักจ the For ุดหมายเนพวกลังกาที ah. context, part, declined, ่มาปูนขอก็ะสงจากมูลไทไปบวชนั่นแหละเขาเขียนชุมเชยเอาไว้ว่างดเงนแล้วตือนว่าสุดิดานี่น่ะอ่เวลานี้อยู่ฝั่งตะวันตกของตัวตอกเมืองอะฝั่งรถไฟออยู่ข้างฝั่งรถไฟทางรถไฟแล่นอ่าในสมัยพระรามกูที้ก็ดูว่าเรียบร้อยดีอยู่แต่เพราะว่าคอทิ้งปายแผนดินก็เกิดเรื่องระแวงเี่เจ้านายเริ่มต้นก็เรื่องเจ้าสามกรมอ่าเจ้าสามกรม กรมูนจินตสุนทรตัวมืนสุนทรเทศกรมูนจิทน pues, ตจทักดีเจ้าสามกรมนี่เกิดกับเจ้าจอมมันดาเป็นก๊กหนึ่งกรมูนเทพพิพิเป็นลูกชายองค์ใหญ่เ ก, กิเดจากเจ้าจอมมันดาหมวยเดียวกับเทียมรีบเป็นก๊กหนึ่งแต่กรมืนเทพพิพิธเนี่ยเป็นคนฉลาดชาติไหนเข้าเรวอเป็นคนดูโอกาสว่าถ้าก๊กไม้เขาชนะเราต่อขาเข่าทางก๊กนั้ น, น, แ, าา น, นแต่ถ้ า, าก๊กหม้แพ้เราต่อ่าดทำเต็นทรงเยียดทเลยนะกรมูนเทพพิพิธ แล้ว็จะฟ้าก ม, ม, มาคุนเสมาพิทัจ้้ามาคุนเสนาพิทเจฟ้ า, า ม, มกาามมุนอุทุมพรคือจ้าฟ้ากลคามาุมพนพรทินิศจยได้กลมกม่ว่าเรียก ว, ว่าอุทุมพรน่นแลวก็เจฟ้าเอกทัพเอกทัพสามคนที่น้องนี่กกก่เป็นสามกกเจ้ามาจากเป็นสามกกคือกชกชกกชนะห้าะเข้าด้วยก็มึงที่พิพตกหนึ่ง ก็เจ้าสามรกรมก็หนึ่งก็เจ้าภาคโทมาขุนเสนาพิทักษ์กหนึ่งสามกด้วยกันในสามกนี้ปรากฏว่าเจ้าภาคสทมาขุเสนาพิทักษ์เนี่ยแย่กว่าพุทธเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับไปเก่งชู้กับเจ้าจอมของพ่ อ, อกับแล้วก็เจ้าสามกรมนี่แหละครับเป็นคนข้าวความไปฟ้องเพราะเขาจะมาประโกดว่าพระม้าอุปราศนี่มาเป็นชู้กับพวกเจ้าจอมข้างในมาเป็นชู้กับเจ้า้าคส้งวานซึ่งเป็นข้ามาเหศรีของพระเจ้ารประโกด พระเจ้าบรมโกศก็ส <asta> <o> ั่งให้ติดสวนเป็นความตัดเขี่ยนพะตายคาหวเลยเขี่ยนเจ้าพระคุณผู้เสนาิทักเขี่ยนลูกชายอะตายคาไหวเนี่ยเจ้าพระคุณมาขุนเสนาิทักนี่แหละนี่คืพระเ้าพศรีธรรมสิเบสหรือท่เรียกว่าเจ้าพระคุณเป็นคนที่มีความเป็นไจในชะตาชีวิตอย่างโลดโผนนะเคยคิดจะฆ่าเจ้าพระสุเรนทรภิทักษมาหนึ่งคือพระเจ้าบรมโกศจะชวนหนักแล้วก็เจ้าพระสุเรนทรภิทักษ์นี่มาเยี่ยมกระชวนเลื่องลงสันี่นั่ง จะพระสุเรนพราปิทักษ์ทั้งหลายก็ะสาทอยู่แล้วว่าเป็นลูกชายคนโตของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัตและเป็นคนที่พระเจ้าวรมกฏเป็นอยไม่ในสวยราศนะสนับสนุนจะให้ได้สวยราส่างั้นเพราะฉะนั้นจะพระสมคุนเสนนพิทักษ์ตละแวกบอกว่าถ้าหากว่าพระเจ้าวรมกฏสวรรณคตไปแล้วจะพัดเจ้าหูาเจ้าหากว่าพระเจ้าวรมกฏเอ่ยปากมอบพระสมบัติให้กับเจ้าพระสุเรนพราปิทัก์เราไม่ช่วยเหลือสมบัดแล้วกลัวอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงต้องหาทางกำจัดก็เตรียมแสงอาวุธไว้ซ่อนไว้ที่บานประตูาวาวรที่จะไปห้องบรรทมของพระเจชบิดาเจ้าพระสุเรนทรพิทัก์ก็มาเยียบยิงอาการกระชวนของของขอ ง, ของอพระเจ้าอยู่หัวพอ้าเข้ามาข้างในเจ้าพระสมขุนเตนอธิทัจับดระแสงดับฟันอันทีจบฟันสะพายแรกตั้งแต่บานมาถึงท้องเดชบุญที่ว่า พรองท่าหหหนหุโยงคงกะพันจีวรขาดไปหมดแต่ว่าไม่ต้องเขาวรกายเขามังสาไม่มีรอยฉีดรอยขาดเลยจีวรขาดลุ่ยไปหมดเลยฟันอย่างแรงเพราะฟันอยากจะคิดตัวจะเอาให้ตายคาที่จริงๆก็ข้าพเข้าก็จะอยู่หัวทั้งๆจีวรขา ด, ดรรุ่งกระริ่งเาไปไปถึงอาพระเจ้าบโกเห็นข้ากาถามบอกว่าเออเป็นอะไรวั น, นี่ผมจีวรขาดมาล่ะแต่พระสุ ร, รินทรพิทักก็บอกว่าเจ้าเจ้าป้าสุรขุมเสนาพิทักยยอกเล่นน่ะ พอตะ ห, หยอกเล่นว่างอ่ะพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าลูกชายของตัวน่ะไปทํามีดีมีด้ายตอบตอบเจ้านายองนี้แหละโกรธอออกจากที่เป้าพรเจ้าจบารมีโกดต้องรับสารให้จับตัวจับได้แต่ลูกชายดูแลรันพันน่ะมาฆ่าแต่ตัวเจ้าฟ้ากรมคุณนเซนาบิทักน่ะรู้ว่าจะอาญาแล้วปั่นไม่เท่าก็รู้ว่าจะอาญามาถึงตัวแน่หนีหนีไปซ่อนอยู่ที่ตาหนักของแม่หนีไปที่ซ่อนซ่อนตําหนักแม่ โทษเาไังทังแม่ก็กลัวว่าจะต้องถูกค้นตัวก็พาตัวลูกเนี่ยหนีกลางคืนวันนั้นหนีออกมาหาห า, หาเจ้าพาระทุเรียนธริทักษ์ให้ช่วยหาคนที่พันปันนะให้ช่วยแต่พระทุเรียนธริทักษ์บอกว่าถ้ายกากาสวัสดแล้วไม่มีทางช่วยได้เลยไปนั่งให้บวชแค่เดือนนีทีเดียวเอาพรหลวงเข้าคุ้มเสียอ่าก็เลยยอมบวชในวันนั้นแหละบวชในวันนั้นเลยนี่แหละครับเป็นที่ต้นมาของความแตกแตกเล่าถ้าในพระราโช เพราะนั่นพอตึกออกมาคราวนี้พ่อก็ให้ตั้งตําแหน่งปเป็นน้าประหลาดต่อไปใหม่แล้วก็พอดีเกิดไฟไหม้วังหน้าเขามาประหลาดในเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักก็จําต้องย้ายพระราชวังเข้ามาอยู่ในวังหลวงชั่วงข่าวตอนนี้แหละไปเกิดเลุงจับเจ้าฟ้าทั้งวันเหมียงพอ่อลุงไม่ชู้กันเขาพอพวกเจ้าสามตมกำลังาหาเหตุอยู่แล้วแต่การละ ก็เล่าว่าให้พ่อฟังบอกว่ามีขม้าประหลาดมาเป็นชู้กับเจ้าป้าสังวานอยังงั้นยังงั้นยั้นมีหลักฐานพยิงพยายนนางคาสีคนนั้นเป็นใจอย่างนั้นอย่างั้นยนั้นเชียเพราะว่าอย่างงั้นต่านนี้พระเจ้าบรมโกรธก็ให้จับมาพิจารณาเป็นตัดเที่ยนตายคาหวายเขี้ยนทนได้ตั้งร้อยกว่าปีจะคิดได้ครบสามล้อยปีชนะเขียนไหวแต่ว่าคนได้เพียงเขี้นไดร้อยกว่าปีก็สิ้นใจตายคาหวายเลยพอตายคาหวายแล้วเจ้าไฝสองพระองค์ เจ้าฟ้าเอกทัศองหนึ่งเจ้าฟ้าอุบลพรองหนึ่งเขียยแขงบอกมันทำกระเช้าถาเราอย่างไรแล้วก็แก้โค้มันอย่างนั้นให้จำ ม, มาไว้นะบอกกับลูกชายเจ้าฟ้าออก็มาคุเนเสนนาริทัศบอกว่าจำมาไว้นั้นมันทํากับพ่อเจ้าอย่างไรแล้วก็หาทางแก้เส็จมันอย่างนั้นไอ้เจ้าสามโกลนี่เนะพระในป้าแผ่นดินนั่นแหละพระเจ้าบรามากรกลุก่รู้ว่าโอรสองคไหนสมควรกระติริอร้นได้สมบัติรู้ว่าโอรสอง์ไหนไม่สมควรกระตืริได้นได้สมบัติเห็นว่า เจ้าป้าเอกทัศน์เป็นคนที่ไม่เอาฐานหูเบาหลงไปมาตุคามนะมัวเมาในเรื่องอบายามุขหลงเชื่อคนพานต่างๆเลยขับไล่ให้ไปบวชเนี่ยบอยามาอยู่ติดขวางต่อการแผนดินเลยถ้าขืนมอบแผ่นดินนะเจา้าเขาจะพาบ้านมันชิบหายไปเพราะงั้นย้า้อยู่นที่ติดขวางไปบวชเถอะไล่ไปบวชเจ้าป้าองค์นั้นจะจําใจกูอาญาพ่อไปบวชเพื่อไปบวชแล้วพระเจ้าผ่ดินก็มอบอะไรก็บรถให้กับ จะพากรมมาุนทรพินิษฐหรือจะพาพอุทุมพรให้เป็นผู้รับผุริเริ่มสมบัติแล้วให้เจ้าสามกรมกับกรมหมื่นเทพพิพิธน่ะมาสาบานตัวต่อหน้าว่าจะซื่อสัดตรจงจรับทักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหม่พี่น้องจะไม่ฆ่ากันเองเวลานั้นพระเจ้บบกกาลุงวโกะไปชวนหนักมากแล้วประชวนหนักมากพอข่าวไปชวนหนักมากแลกออกมา เจ้าพ่อเอกทั์ต้องลอบปลุกออกมาในคืนวันนั้นมาถึงมาขึ้นตําหนักพ่อแงมพัดกะแงมมาดูหน้าพ่อเนาะไม่ไปเข้าไปเยี่ยมอะแงมมาทอยู่หน้ามองเรีกว่าขาดใจตายแล้วเนี่ยมีอยู่หนมาอ้อยังเห็นตําหับตําหนักอาจารย์ข้าวีพูดอยู่ก็สบัสดหนาลูกออกมาลูกมาเจ้าสามกรมลู้ว่าพ่อตาแม่คืนนี้เจ้าสามกลมก็เรียกข่าไทผู้คนเข้าหาประจําการแล้วก็พวกหัวหน้ามาพวกข้าพายเจ้าสามกรมปีนกําแพงวัตถุสีตั้งเพชร เข้าในพระราชวังเปิดรูพะคังแสงเอาอาวุธมาแจกจ่ายถือเอาไว้เตรียมการจัดต้นหลักสมบัติระดับนี้คือเอาไว้คุ้มกันเจ้าหมายัองตัวเจ้าฟ้าอุทมพรก็มายิบมาเฝ้าอาการพ่อท่านพ่อสิ้นใจไปคาบาเรียบร้อยแล้วก็รีบเสด็จมาที่ตําหนักหมู่นกระตายเรียบอาจเล็กผู้คุณปุกช่องล้อมวงตรียมจะตรสุดกลางเมืองเข้าตอนนี้แล้วก็ตัวมาหมูนเทพิพิธก็ดูลาดลาไว้ฝ่ายไหนชนะที่ได้เข้าด้วย ลองไปมองมาเห็นว่ามันยังไม่เอากันจริงอย่าเลยเราจะไม่ต้องไปริบไขึ้นราชูบะโคะเอาไว้เปรู้ตัวก่อนถ้าจะพัดจะฝูสองฝ่ายฆ่ากันตายแล้วเราก็เป็นพระจักรินสบายสิอ่าก็มือที่คิดว่าคิดดีคิดสลับปากเตรียมนาทีการเรียบร้อยแกก็ล่อขึ้นไปบนพระมหามกษัตริย์เปิดตู้หยิบขึ้นลาชูบะโคะออกมาถือไว้ย่องลงจากพระมหากษัตริย์พระโอ๋เหรือเกินจะไประทัดก็เดินผ่านมาเห็นข่าวว่าอ้าก็มารมืนนั่นจะเอาขึ้นลาชูบะโคไปบะโคะไปไหนนั่นน่ะนั่นนะ กูมือให้พิพิธจะยินเสียงเจ้าฟ้าเอกทัศถามอย่างนั้นก็ตัวสั่นทีเดียวเน่แต่ ว, ว่าไวายพิษก็มาพันควันรีบลงไปกราบคูลหมอะไว้กราบคุลหรอกว่าข้าพระพิจารณาหมายจะเอาเครื่องราชูปโภคทั้งนั้นมาถวายในใต้ขาพระบาทพฤะิจารณาโอ้ยงูมือพวกข่าว่างนั่น้ายดาเอามาเอามาเองงูมือพวกข่าแล้วชวายดาวางั่นก็เรียกตัวมือที่พิพิธน่ะไปอยู่ตําหนักสวนตะตถ่เดียกันคราวนี้พวกเจ้าสามตัวเนี่ย ไม่รอชาพวกใต้บลไม่อำนาจจัดแกงตุกท่องร้อมวงเป็นสตราอาวุธปืนสาหน้าไม้ยกจะเป็นตองคับออกมาทีเดียวเจ้าฟ้ากรมขุนพริยุทธ์จึงได้มีมูลพรสูงที่เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่จากวัดต่างๆมามีพระอมไตรยรงกาจาร์พระธรรมอุดมพระเทศกุลีพระเทศภูมิซึ่งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ซึ่งมีองค์อยู่ในสุนทีย์ปิยา เข้ามาแล้วก็ทูลให้นิ ม, มนต์ทั้งหุ่นเจ้าเหล่านี้ไปเล่าโล่เจ้าสามกรมให้วางอาวุธมาส ว, วามพักรองดองกันเสียพระราชาสนะชุดนั้นอ่ะไปมาตั้งสองกลกับไปแล้วก็มาส่งข่าวว่าเจ้าสามกรมไม่ยอมไม่ยอมจะสู้ทางนี้ก็ให้ไปเล่าโล่ใหม่อีกอีกกลับหนึ่งกระทั่งลุงแจ้งแล้วจึงพาเจ้าสามกรมมาถวายตัวได้ถวายตัว แต่ว่าเจ้าป้าของพระองค์ก็คิดการผักหลังเจ้าสามกรมบอกว่าไม่ได้ไอ้เจ้าสามกรมนี่ทำไม่ข่าวันไหนเราพี่น้องของคนก็ไม่ลอไปวันนั้นไปนั้นต้องข้ามันเสียเพราะติดพ่อข้อตายได้เจ็ดวันจะแจงทำบุบายหลอกเจ้าสามกรมมาเป้าทีท่ตําหน่งขุนกระตายแล้วก็จับเจ้าสามกรมสำเร็จโทษในเดี๋ยวนั้นทีเดียวข่าตายเสียเป็นอนันว่าสิ้นเพี้ยน้ํ า, าแล้วบายจะมามือเทพพิพิธ เห็นเขาค่าจะสามโฉมก็มันนึกถึงตัวเองว่าเออเราก็เป็นเจ้าอยู่เดียววเดียวกับพิมรีเขาข่าจะสามโฉมแล้วไม่ฆ่าก็คุงฆ่าถึงเรามั้งอย่าเลยจะอยู่ในสถานที่ไม่ปลอดภัยจาเป็นต้องบวชเถอะหนีไปบวช ด, ดีกว่าเอาการขอพระเป็นที่พึ่งเถอะล้มมือเทพเทพฤิธิ์ก็ไปบวชที่วัดตะโจมไปบวชเป็นข่ายที่วัดตะโจมอันวัดทั้งนี้สิ้นเสียน้ําไปแล้วเจะา้าอุนนอ่นก็ขึ้นสวยราเป็นพระมหาตรจั์อยู่ได้เจดวันเห็นอันการพรเฉิขา สแสดงความลังเกียจจะพาเอกทัพกรมาขุนสุริยามารินเนี่ยอ่ะคือแสดงทียารังรเกียจตัวแล้วเกิดก็แหมไม่รู้จะทํายังไงจายอมํายอมยอมขวอยังจะสมบัติให้พี่เพราะพี่คนนี้ก็เป็นพี่เกิดพ่อดีแม่เดียวนะมันจะคนละแม่แม่ก็ยังอยู่แม่ก็ยังอยู่ยยเพราะฉะนั้นจายอมตัวท่านก็ไปบวชไปบวชซะแล้วดูว่าเข า, ลาหลีกไปคุ้หลวงหาวัดไปดูลึมพ่าอยู่้างพระเจ้าเอกทัพพระสุร่ราชเล้ว หลงในมาตอคามท่อพวกมอมๆอายุน้อยน้อยแล้วญาติพี่น้อ ง, ง, งเขาบอมอมมอมจรู้เ่ยเนี่น่ะก็ามาตัาง้งเป็นคุณนางตัง้งเป็นคุณนางเป็นผู้นำคุณนางเข้านอกออกนายเปิดเผยโอ้คุณน า, นาคณงคุณนางผู้ใหญ่ยยจริงๆที่ทำงานแผ่นดินราชาการมาแต่ครั้งแผ่นดินพระเาค่พระราชษมีดาก็ถูพวกคุณนางหน้าใหม่นี่อ่าแสดงกิริยาลังเกียดดููกดูมินต่างๆนานาจะทํำมันใจกันมากก็มีอยู่พวกหนึ่งมีพยาเพชรลีเออยพยายุมราชเออยพูดเนี่ย จับกลุ่มปรึกษากันว่าเราจะปล่อยบ้านมือให้อีกพวกทั้คบ ข, ขึ้นขึ้นวงนังุกครองไหนจะไม่ได้แล้วบ้านมือจะต้องคิดหานอันตรายใมั่นคง <c oughs> ก็สมเด็จในบรมโกศนั่งจังกั้ว่าให้หมอบแผ่นดิกาคุณลืาวัตนี่ก็มาได้แก่จะให้เอกทัศนาไม่ผูกป้องกับพระผูกป้องกับพระาเจ้าสงฆ์เพราะฉะนั้นพวกเราจําเป็นต้องคิดการเอาสมบัติมาคืนกับคุณลหาวัตให้ได้บ่างอัน เมื่อที่ปรึกษาบอกเอเราคิดการใหญ่อย่างนี้จัง ต, ต้องมาปรึกษากับคมามูม่เพื่อพิพิธนะเธอเป็น ข, าาขยะผู้ใหญ่หืออะไรเคอจะได้ชี้แจงว่ า, างะเอาตาไปปรกึกษาตัวมู่เพื่อพิพิธไปโจมตวหมู่เพื่อพิพิธฟังแล้วก็ลุกออลาตัวบอกเออพวกนี้จะคิดการใหญ่เอาเราไม่ดีเอเราก็เห็นด้วยแต่ว่าทางที่ดีและผู้สังเวยควรจะไปปรึกษากับคุณหัววัเองนะเพราะนเป็นตัวเจ้าการในสังเวยจะยกขยันไปจับรเด็นน่ะที่ประชุมก็ตกลงใจชวนคนมามูม่เพื่อพิพิธ ไปเป้าคุณหลวงหาวัดไปเป้าคุณหลวงหาวัดไปพูนความให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยจะคิดการกบฏจะเอาว่าสมบัติมาคืนพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะเห็นด้วยไหมคุณหลวงหาวัดจะพูดถึงสองนงยะให้รับในปฏิเสธนะพู้บอกว่าเอาเถอะเรื่องทั้งวงที่โยนเป็นหลายคิดกันอ่ะหายใช่จิตตุสัมมาละไม่สุดแต่โยมทั้คว ง, งจะคิดกันแล้วแต่ท่าควรเถอะแต่มันไม่เกี่ยวว่างั้นเออวัตมุละไมเกี่ยวทางนีก็นนึกว่าคุณหลวงหาวัดคงใจแน่แล้ว ก็ น, นัดแนบันเวลาสักขา้าหลวงหาวัดเอาผู้นี้กลับไปตัวก็มานอนคิดคำนึงว่าเอ๊ไม่ได้การนะผู้นี้มีเอาตัวมะมึงเพื่อพิพิธมันไปหัวหน้าอย่างเนี้ยถ้าเขาคิดการสาเร็จที่ไหนก็จะให้เราสองคนพี่น้องเปเจ้าแผ่ น, น, น, นดินเขาคงจะยกตัวมะมูลเพื่อพิพิธขึ้นเป็นใหญ่แล้วชีวิตเราสองคนพี่น้องก็จะเปอันตรายไม่ได้ต้องเล่าความกี่ให้น้องชายฟังกันแล้วว่าผู้นี้จะเป็นกบฏแม่หาหลังผู้นี้อีกชั้นหนหึ่งแล้วคือนั่นแหละขุลหลวงหาวัดก็จีบอลปลิวว่อนเข้าไปในวังหลวง บอกว่าไอ้พุกยพี่ชาเกิดจากปัญโภมมีเรื่องด่วนจะมาพูดแต่ก่อนจะพูดนั่นให้พี่ใช้ถสาบานตัวไว้ก่อนว่าฟังเล่าไม่ไปฆ่าพวกนี้ขออย่างเดียวขอชีวิตไว้เพราะว่าลูกเป็นกัมมนะถ้ามาเล่าเรื่อนแล้วเป็นเหตุให้พวกนี้ต้องตายแล้วก็ศีลของลูกจะเศ้าหมองขอให้อยาดถึงประหารชีวิตเลยไอ้ส่วนพวกยังจะทำไม่กระเพืนทําไม่เหระขอแต่ชีวิตไวไ้พระเจ้าเอกทัศก็รับว่าเอา แหมมาถึงข่าแกนละพอรู้เรื่องความจริงแล้วคือนั่นก็สั่งตารวจไปจับพวกนี้ได้หมดเว้นตัวมึงๆพี่พิพิธกำรวจพี่พิพิธจรู้ทันวัหน้าก่อนก็โจรนี้ออกจากคุกไปแค่ไม่พันนี่ไปไหนนี่ข้ามข้าไม่รู้ว่าพลังชนนี่ไม่รู้ว่าพังชนว่าพลังชนเนี่ยแล้วก็เรียกเขาพวกใข่ไข่คนนึงตัวมีอยู่ดิเจ้าหมายครั้งนั้นน่ะมีพวกขึ้นเรืสังกัดกลุ่มกลุ่มลั้หลายร้อยคนเรียกมาตั้งไา่คูประตูหอรถขึ้น เตรียมงืนขามาไม่จะสู้ตำรวจกองทัพจไปจับขยับลินดีพอรุ่งเช้าตำรวจก็มาเรียกร้องว่าขย้อมจับดีดีไหมเนี่ยขย้อมจับไหมขย้อมจับดีดีจะไม่ถึงอุกฤษฎ์นะถ้าไม่ยอมจับมันจะเข้าฉายากระหมดมากเขาแล้นี่เตรียมสู้นี่แบบเนี้ยกัวผู้ที่ริบบิ้นก็ไม่ยอมจับทำพลาดจะเกิดขึ้นกลางเมืองก็าพอดีพวกตำรวจนี่แหละครับใช้ไหวพลิบรู้ว่าตัวผูมหนุ่มที่พิบบิ้นเนี่ยแกเป็นคนรู้เลยเป็นคนรู้เลยดิฟุณงง่ายว่าอ่า ไอ้เป็นคนหยิบอะไรหยิบอะไรก็ไม่เอาจริงเอาจรงลงเลยมากเกลี้ยกล่อมส่งหนังสือรับไปให้บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่กินแหนงกรมหมื่นหลอกที่เห็นว่าการตั้งค่ายครูสู้ว่าครั้งนี้เกิดเพระพวกเจ้ากรมปรลัดกรมดที่เปฝ่ายคิดสู้นะเจ้ากรมประหลัดกรมีฝ่ายคิดสู้สําหรับตัวกรมหมื่นเองพระเจ้าแผนดินไม่เอาโทษหรอกถ้าจะให้ดีแล้วให้ตัวกรมหื่น่ะจับตัวเจ้ากรมประลัดกรมเนี่ยมัดมาให้หลวงเสียลาภภูเขาหมดว่างั้น ตัวมือเทพีนี้ก็เอาสิความจริงตัวเองที่รอดจากถุดตัดน่ะพวกเจ้ากรมจุตัวช่วยประลัดกรมตัวช่วยคราวนี้จะหักหลังจากตรงประหลับกรมึึงเป็นทาสสึ่อสทั้งตัวเจ้าครมประหลับตรมลใใู่ข่าวเสียใจไปถูกคอตายถูกคอตายเสีาายใจว่าเอเรานี่มันกัดเจ้านายผิดไปแล้วนะอุตสาเอาชีวิตเขาแลกยอมตายเพื่อเจ้านายน้อยเจ้านายจะเอาเราไปฆ่าจับเราไปให้พระจักรันดินได้ เสียใจเลยไปปลุกคอตายคนหนึ่งอีกคนึงหนีนไปกับตัวไม่ได้แล้วตรงมึงที่พิพิธก็ยอมไม่จับพระจ้าแ่ดินก็ไม่ฆ่าเอาตัวเ้รเทศปล่อยเกาะวาเมือง ก, ก, ก, ก, ก, กำปันวิรันดาไปปล่อยเกาะที่ลังาออกาเมรเทศไปอยูกก่เกาะลังกาไม่ฆ่าอันนี้ก็บรรลุพระเจ้าเอกทัศนะ์น่ความจริงน่เป็คนโหดล่หรอครับท่านเตินพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอแล้วก็หูเบาเชื่อคุณง่ายแล้วก็ใคาจะว่าไปแล้วคเป็นพระเจ้านดิีใจดีสุดเด็ซ้โดูสิ ทนยีักษาตัดจาน้องเช้าจะไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าจริงผูกพญาเพชรรีเออยพญายมราราตเออยเป็นตัวกบฏเนี่ยเอาไปฆ่าก็จะไม่ตายไมได้ฆ่าหรอทีหลังเน่อกูออกมาลบฆ่าขม่าเลยนี่รวมทกลมหนึ่งที่พิพิธเนี่ยความจริงคุณจะฆ่าก็ไม่ฆ่าเอาไปปล่อยีันกาเสียนี่ครานี่บ้านนี่ก็ไปอยู่อำนาจของบรรดาญาติญาของเมียน้อยเาไม่ได้กทัศหมดคุณมานาจารผลิไม่หมดทีเดียวคุณญาติคุณเนีย บ้านเมืองก็อิรุ่ยชุยชายก็ะทั่งเกิดสุดพม่ามาติดเมืองพม่าที่มาตีเมือ ง, ทงไทยในครั้งนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจตีเมืองไทยหรอกตั้งใจมาดูราดเปลาาตีเมืองถวายมาริดตะนาวสีมาเลยเออทำไมมันตีง่าย ล, ล่ะพอตีเมืองกัญญาณุรีไทยก็ไม่ต่อสู้ปั๊บมัน ง, ง่ายมุดบอก็ต่างมาีนี่ยออ ไทยเราเนะ่เว้นสุปปะมาตังรอปีเศษตั้งแต่พระนารายณ์ไยมั่วเือสูมหาราชนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานาายณมหาราชกัยุกติพม่าคือด้านไปพม่ามาไดยหยยบเมืองไทยตั้งร้อปีกว่ามาแล้วนะเอออยู่ๆคราวนี้ทำไมใครเขา้าบึงทัพรอยชายเข้าเมืองไทยไมาเด็ษษดทัศน์ศุภัก์การขีดขวางดยด้ององทัพไทยเลยว่างั้นเถ อ, อะคอช น, นในมีสีหบีไม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือมังมหาลาลาชาไม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ นัดแนวกว่าใจการละมึงไทยถ้าเป็นอย่างนี้ลรวก็ตายเหมือนตอกกลวยเข่าปากยกทัพลอยชายมากรทั่เหยียบชาญทัฒนคกรหยีทบชาญวัคนคกรก็เวลานั้นน่ะมึงไทยก็ทั้งหนึ่งทสงคราคทั้งสุดนะอ่าเกิดบจะเสียอยู่แล้วเดชบุญว่ามีพวกแม่ทัพนายกองติดเข็มแขนงบางคนยกมาช่วยเึง จ, จพยาพิพุโรกองทัพพิณลลุโกเนี่ยเป็นกองทัพหัวเมืองที่ลดข้มากับพญาพิุโรสองกองนี่พม่าอยู่ ไอ้คนบ้านอู่นเ่ยลบยอดใหญ่ยกยกยกลบยอะใหญ่มากพยารัตนพิเบศแม่ทัพใหญ่่ายพระนครเนี่นะเวลาลบลบข่าเกิตัวท่านขี่ม้าอยู่รังท้ายเพื่อนเวลาลบลบเข้ามาในสมบัติปู้ามันไม่ข exactly ี่มารังท้ายตเชื่อเวลาเจะหนูก็ได้นำหน้าเพื่อนไงล่ะเน่นพญารัตนพิเบศเน่ยนะแผนการท่าดีสุกละเวลาลบว่าเอ้ยมึงขึ้นไปข้างหน้าไปไปจะเป็นเอือเหอตัวเองขี่ม้าข้างล่มระยะอยู่รังท้าย เวลาเขาแท็กทับทางนี้ได้นำหน้านำหน้านี้เขาต่อท้ายเพราะฉนั้นกูวพระยายรัตนพิเดษเนี่ยแหมรู้รู้จักรักษาตัวรอดเ็นยอดหนีจริงจริงลอดตายมามาตายในสมัยกรุงธนบุรีมาลอตายมาหลายครั้งยศไปทีรไรแกลอดคนอื่นตายหมดแกลอดไปทุกทีเลยเพราะไอ้สีที่แกว่าขีม้าลังคาอยู่อยู่แนวหลังเนี่ยเวลานี้ก็เลยอยู่นำหน้าเขาเนี่ยแตบบ่นี่ในกลโโลบายที่แกเนี่ยุกรลงว่าโคตรแม่ทัพไม่กองนะ่ะไม่มีกระจายจะสู้เลยมีแต่ทัพหมู่เมืองสองสำแหงนะ่นที่มีใจสู้จริงๆ และอกนั้นพวกหัวมุง่งทาง้าคตะวันออกตะวันออกเสียงเหนือภาคใต้ไม่สรงกงทัพมาช่วยพระนะครเลยไม่ส่งมาเลยทีเดียวตัวใครตัวมันถ้ายๆ เ, วยงงวเว ร, รื่งกุงเต่าเปนเรื่งกรุงเต่าเรื่องเหมือนครที่ธรรมราษเปรืองครที่ธรรมราษฎเดียวค้ายปเรื่อเราประเศแหละเพราะฉะนั้นจึงเสียเงินไปฆ่าถูง่ายแล้วแต่ทั้งที่เม้ า, มาล้อมกรุงอยู่นั่นจะพยายามที่โลกยังอุตตาบละทิ้หน้าที่ไปท้าสดแม่แม่ตาดาบูลา ถอนกองทับคืนไปเท้าสุกแม่เขาเจอเอกทัพจะดีใจหายอ น, นุญาตให้ไปคิดดูเถอเป็นเวลาหน้าตื่นหน้าขวานเขาเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นปเรื่องมันเรื่องเ็นเรื่องทําลายประเทศชาติละทิ้งหน้าที่ราชการจะไปงานเท้าสุกแม่แ้่นั้นเองแหละถอนตองทับคืนคุณโลกไปทันนี้เป็นตายขั่งมันไม่สนุนของกูเรื่องงไงพม่าก็เลยบุกเข้าพระนครล้อมพระนครอยู่อยู่ล้อมแล้วก็บุกเข้าพระนครเนี่ย พอได้พระนครพระนครแตกปูก็ระยาบรรลุเนี่ยหนีไปซ่อนอยู่ที่ป่าไม้จิกลากตัวออกมาอดข้าวอยู่เจ็ดวันพอออกมาจากป่าไม้ขาดตายตายพอดีทุกี่พรนนายกองไปฝังไว้ในค่ายปู่สามตนเรียนจะเผายังไม่ทันจะเผาค่ายปู่สามตนตัวสีกับเจ้าดางพระเจ้าตากยกกองทัพมาตีค่ายปูสามตนกกลงว่ากรีพระน่อภิพยาเน่แตเพียงสามเดินไทก็ูคืนมาได้ในสามหรือก็ูดกับคืนเดียเวลานั้นถ้าจะพูดแล้วไม่ไม่ควรจะเรียกว่าเอกรลาทขาเสียไปนะไม่ควร ควรจะเรียกว่าเสียพระนครแก่ข้าศึกเนแ่เอกราเพราะอะไรพม่ายังตีภาคอื่นไม่ได้เลยเมืองไทยภาคภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือยังปลอดไปนี่ทัพม่าไปไม่ถึงพม่าตีได้แต่วัวเมืองบริเวณภาคกลางนี่เองมยังงายว่ประเทศพาเดี่วภาคเนือที่ได้ภาคกลางเนี่ยภาคอื่นพม่าไม่ได้แต้องเลยไปไม่ถึงภาคอื่นต่างคนต่างวงตัวไม่เอาใจใส่มาช่วราชการเลย จึงเมื like it. It ่อเสียชิงไปแล้วยิงได้แปดเป็นหกพกขึ้นมาเจ้าขระฝางนี่เป็นตกหนึ่งในหกพกเรียกจุนเจ้าพรฝางนี่เจ้าขระฝางนี่ไม่ยอมตึกตั้งตัวทั้งเป็นพระทั้งเป็นเจ้าแต่เอาสีแดงมาย้อมขี่มอญไม่ห่มเหลืองอุ่มแดงแดงสีอย่างเขาเขาสีล้าอุ่มแดงแล้วก็คนหัวใจพระคาถาจากพระใจพิหนกมาเขียนเลขยันอาคุต่างๆแตกบริวารบริวารก็เป็นพระตรงนั้นอ่ะเขาสมมึงเหลือั้งนั้นอ่ะเมืองแพ่เมืองน่าน เมืองพิจิตเมืองฝางนี่พวกนี้เอาพระสงฆ์มาตั้งเป็นแม่ทัพในกองตั้งพระครูคีรีมาโนนเป็นแม่ทัพเอกฝ่ายขวาพระครูคีรมานนตั้งพระครูประหลัดแม่ทัพเอกฝปป่ายซ้ายตั้งพระครูเสมือเป็นนายทหารเอกอะไรก็ไม่รู้ท่านอะ่ะตั้งผู้สานานุกรมอะ่ะแล้วพวกเหล่านี้ก็คุมจีวรสีแดงขาดกระตุกพิษประหนอนดอกตูตูมีสกิร์ตโซติสรแล้วก็มีกระหมือกระบียถกระดาษกือหอก คุบริวารในพวกพวกเกี่ยวกับรีพุตสาชดอนกินเล่าเมายาข่าก้านทุกคนอำมาจป ร, ราชิกติคดครบทุกข้อเลยทําครบทุกขออาา้ออำนาจประชิกนะข้ามนุษย์เอ อ, อุดมตรีวัตถุธรรมเออเอ่อขโ ม, มยเงินทองต้นเขาเอยครบหมดอ่าต้อง เ, เศ ร, รษฐีผลิกิจเอ้อคอเยครบบริบูรณ์เลยเนี่ยหมดบริบูรณ์แล้วทั้งกมลช น, นก็เลยร้าวฉานไม่เึงน่ําไม่รู้ใครเป็นอะไรชีใครมีลัทธิก็ไม่รู้ทั้งกมลช น, นในเมืองเหนือข้างนั้นอ่ะ ย่อยยัดไปเรื่อยอัลชีพวกนี้เป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าท่านพนมรีท่านผู่เอกผู้ม้านผู้เมืองเรียบร้อยแล้วตั้งพระนครพนมรีเป็นเมืองหลวงขึน้นมาแล้วท่านยกตองทัพไปตีทุนงงเจ้าพระฝังได้ท่านถึงต้องให้พระสงฆ์มือเหนือมาทํำพิธีลุยหน้าพิสูจน์ความเป็นอัลชีหรือไ ม, ม่เป็นอัลชีที่ในน้ำหน้ามืงฝังเองละ่ะตั้งศาลเพียงตาสองหัวสิบจดดากแล้วองค์ท่านก็อธิษฐาน ในเทวดาที่เป็นสมาสทิฏฐิพิทักษ์พระบรมาพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นปักขีพยานช่วยคุ้มครองแต่พระสงฆ์ที่บริบุทธิ์จะตุกบริสุทธิดิเศษถ้าองค์ใดบริบุทธิ์ไม่ถึงไม่ถึงไม่ขาดถึงตาชิกแล้วก็อขอให้สา ม, มารถดำนน้าคงแต่นาฬิกาตั้งบนาฬิกาว่าถ้าองค์ใดขาดแต่จะตุกราชิกแล้วก็อขอให้มีอันเป็นแท้นาฬิกาไปนะองค์ใดธรรมะข้ามโดยีว่าเป็นปราชิกจริงเป็นพวกไอ้ฝังจริงผู้นั่งค้จะไม่เอาโทษ ยังให้ข่าวเผาปัดตึกเป็นคารืหัดไมจะเลี่ยงเอาไว้นะแต่ถ้าคนอง์ไหนอวดอ้างว่าไม่เป็นประชิกไม่เป็นพวกไอ้บางแต่ถ้าดํนาน้ำไปหาคอแต่นาฬิกาแล้วดับขึ้นมาจะเขี้ยนและจะให้คารืหัดชิตเพี้ยแต่ถ้าคนใดเส ม, มอแต่นาฬิกาก็จะให้สุกแลก้วจะไปทํางานเป็นประพุ่นใหญข้างให้ทํางานหนักงานหลวงตัดหน้าทํางานให้หนักเลยเดียวนี่เป็นมาตราโทษที่จะกวาด ปรากฏว่าพระสมฆ์ในหูมือฝันมือจำนวนหลายพันลูกจึงมาดํนนาน้ําที่หน้าไม่น้ำหน้ามือฝั ง, งบ้างก็แพ้จเมริกาบ้างก็เสมอจเมริกาบ้างก็ชนะจเมริการ์ที่ชนะจันนิกาก็เป็นขยายจิตปัจจัยสี่คุ้มให้เป็นพระสงฆสืบก็ ม, ม, ม, มาหน้ามงต่อไปที่แพ้จเมริกาออกมาทีดแล้วจะประหารชีวิตไปอ่าที่เสมอจเมริการ์สุดมาแล้วก็ออกมาทํางานเป็นเลืหดหลวงไข่หลวงเป็นตะกุ่นได้ท่างทํางานจงหนักไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป เช่นอย่างนี้แหะครับหัว ม, มูลฝ่ยายเหนการคณะสงต่อราฉนพระองค์ก็มีมูลผสมจากกรุงเทพธบุรีเนี่ยจะภากลางขึ้นไปมีพระปมมูมีพระบิมุ ล, ลรมธรมมธรมพระธรรมปาโมกพระธรรมไรโลกนี่ขึ้นไปเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์พร้อมกับคณะหลจากธบุรีเนี่ยขึ้นไปบวชพระสงหัวมูลฝ่ยเหนือไม่หมดทั้งภาคเลยบวชให้ไม่หมดจะได้ชำระกางสวาทีให้หมดในวันที่หน เหตการณ์ครั้งนั้นก็เขายังไม่ทันจะแล้วตุกขามา่าติกใต้าทัพส็มาติดติดไปใหญ่ก็มาติดมือไทยพระเจ้าพระเจ้าแผ่ดินและพระเจ้ามังระเนี่ยยกกองทัพใหญ่มาติดมือไทยหลายทางดีวยกันพระเจ้าด้วยว่าติดราชญาตุากขมาครั้งใหที่ราชยาก็เป็นเหตุให้ทางราชการต้องเทามือกระทธ า, านนานศาสนาไปและทั้งในสมัยกรุงเทศนี่แหละครับจึงได้จับงานสถาปนาิกเกี่ยวกับพระนครเกี่ยวกับบุรณะพระพุทธศาสนา ให้ย่างยืนขาหย่อนสมบูรพาขึ้นไปใหม่ในการสร้างเมืองกรุงเทพนั้นพระเจ้าบรมดินในข้างนั้นราชการที่หท่า น, นแหละได้ถึงเอาแบบอย่างพระนครที่อยุทยาเป็นแผนผังเช่นยกตัวอย่างเช่นวาวางรากพระนครก็วางพระนครได้คิดทางทางบ้านหนึ่งนะพรอจะถือเอาแม่น้ํานี่เป็นครูพระนครบ้านหนึ่งไม่ต้องไปบุกครูพระนครเหมือนกับพระนครที่ อ, ย, อยุธยาขนนั้น วังวังที่กรุงเก่าน่ะคิดแป่น้ำนะวังกรุงเก่าเนี่ยชิดแป่น้ําทีเดียวกาแพงกาแพงวังหลวงน่ะทอดกับเป็นกําแพงเมืองในตัวด้วยทางด้านแม่น้ําขันใดกําแพงวังชุมเทศการที่หนึ่งท่านตหมายจะเอาเป็นกําแพงเมืองในตัวทางด้านแม่น้ําขันนั้นจึงได้ตั้งวังคิดด้านแม่น้ำแล้วต่อราชการที่หนึ่งท่านทรงช้างขัติหนังอยู่ที่วัดโพธารามหรือว่าโพธิหรือไม่ทรงข้างขัติหนังรอเขาเริกที่จะเสด็จเข้าไปในประทับราวังหลวง เวลานั้นอะราชวังหลวงยังไม่ได้ต่ออิฐปูนหรอกเพราะต้องรีบสร้างให้คันเสร็จที่มีรบรมราชาพิเศษต่อโดยมากสร้างเยอะซุ้วยอะเครื่องไม้เลส่วนมากพระราชวังตําหนักต่างๆก็สร้างเป็นเครื่องไม้ยังไม่เป็นการท้าวรมีแต่ที่ ก, อก่ออิฐมูนคือบุตรพระแก้วเนี้ยก่ออิฐปูนเพราะนั้นอาคารตับวบมตรพระแก้วจึงเป็นอาคารสถาปัตยการที่หนึ่งจริงๆในปีแรกก็สวยราบเลยต้องสร้างตับวบุตรพระแก้วขึ้นก่อนบุตรพระราชวังราชินีนะสร้างเป็นไม้ วันนี้มาพูดก่อชุมนุมขึ้นแล้วพอขอบ ค, ณคณนณแเวลา ย, ยังไม่จบไม่มีโอกาสจะได้ต่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณตอบคณะยุทธวิทยาศาสตร์ปูติสต์ต่ อ, ย อ, ยตอวันนี้ให้จบเพียงเท่านี้ก่อน